เราก็ได้มาร่วมกันธรรมชา้านะที่บ้านที่วัดบ้านห้วยเดือนะก็เป็นคืนแรกหลังจากที่เราได้เดินทางทัวดรงกันจริงๆนะก่อน น, นั้นก็ใช้รถนะเดินทางมาแต่คราวนี้ก็ได้เดินเท้ากันกันจริงๆ เราก็จะอาจจะพอประเมินได้แล้วเนาะว่าสัมภาระนะที่เราแบกมาที่เรานะถือมานี่มันหนักมากน้อยขนาดไหนเนาะถ้าแต่ก่อนเราเป็นเราอยู่ที่วัดหรือหรือเราอยู่ที่บ้านบางทีเรามีข้าวของเครื่องใช้เยอะแยะมากมายเนะเราก็ไม่รู้สึกว่ามันหนักเพราะว่า เราเก็บไว้ในตู้เราเก็บไว้ในห้องนะหรือเราให้คนอื่นเขาดูแลนะเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีมากเท่าไหรนะ่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักนาสาหัสอะไรหรือโดยเฉพาะค่านิยมองคนท้งโลกนะยิ่งชื่นชมการที่เรามีมากๆานะมีที่ดินมากๆ มีบ้านรายหลังมีรถหลายคันมีข้าวของเครื่องใช้เยอะแยะมากมาย <c oughs> คนทางโลกก็คิดว่ายิ่งมีมากก็คือว่าคนที่ประสบความสำเร็จ <c oughs> แต่ถ้าคนที่หลงที่หลงกับทางโลกก็จะเชื่อแบบนั้นแล้วก็ <c oughs> ก็จะถือแบบนั้นอยู่ย <c oughs> เรื่อยไปนะ แต่ถ้าคนที่มีสติปัญญาก็จะแม้อยู่กับทางโลกนะ <c oughs> แต่ก็จะเห็นแล้วว่าไอ้ของพวกนั้นมันเป็นภาระนะมีบ้านหลายหลังก็ต้องจัดการเยอะขึ้นนะมีรถหลายคันก็ต้องดูแลเยอะขึ้นนะมีบริษัทมีบริวารเยอะก็ต้องก็ต้องเป็นภาระในการจัดการแก้ไขสิ่งต่างๆ การที่เราได้ออกมาทุดดงนะออกมาจาริกแบบนี้นมันจะทําให้เราเห็นชัดขึ้นว่าเออที่จริงสิ่งที่เป็นความจําเป็นของชีวิตเราจริงๆมันมันไม่ต้องมากขนาดนั้นเนาะออแค่ได้มีที่พักแค่ได้มีอาหารรับประทานแค่ได้มีเสื้อผ้านะ ปกปิดแดดปกปิดความหนาวนะแค่ได้มียาตอนที่ไม่สบายอันนี้คือความความจำเป็นของชีวิตเราจริงๆที่เรามีมากเกินกว่านี้แสดงว่าโอ้มันเป็นของที่จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ตรงนี้เนาะยิ่งถ้าเราเดินทางเดินทางด้วยเท้า ต้องแบกสัมภาระของเราเองเนี่ยเรายิ่งจะประเมินออกว่านะ <c oughs> ที่บอกพาราหาวีเป็นจักคันธาเนาะค <c oughs> ันทั้งห้าเป็นของหนักเนอนะ <c oughs> ในร่างกายในจิตใจนี้ก็มีขันทั้งห้า <c oughs> ประกอบกันอยู่แล้วนะ <c oughs> แต่เรายังมีสัมภาระอย่างอื่นที่มาแบกอีกนะ <c oughs> มันจะเห็นในความหนัก <c oughs> ความเบาเป็นแบบไหนเนาะ <c oughs> เราแบกถือ <c oughs> อ่าย่าม ถือกระเป๋านะ่มันหนักนะแต่พอเวลาเราพักเราก็ยังวางมานันได้ง่ายนะเราก็ยังเอาเขามาใช้ประโยชน์ได้ <c oughs> แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกเนะี่ยพาราหาวีปัญจคันทานะขันที่เป็นรูปประขันแล้วก็นามขันเนี่ยนะนะมันเป็นของหนักในโลกนี้จริงๆนะ คนจะวางการยึดถือเนะี่ยขันว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยยากที่สุดเลยนะนะสิ่งสมมุติที่เป็นวัตถุภายนอกนี่นะนะอาจจะไม่ต้องใช้สติปัญญามากก็ยังพอวางได้นะเนะสื้อผ้าเก่าเราก็ทิ้งได้ง่ายนะรถเก่ารถทังล้วก็ยังเปลี่ยนคันใหม่ได้นะแฟนเก่าเลิกรักแล้วก็ นะหาคนใหม่ได้แต่การที่จะเลิกยึดถือว่าร่างกายเนี้ยนะมาแบกนะมายึดไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากนะต้องอาศัยการฝึกฝนภาวนาให้มากจริงๆถึงจะถึงจะวางนะถึงจะวางขันทั้งห้านี้ได้นะนะ เราเห็นนะเราเดินทางไกลเราเห็นร่างกายเขาเป็นทุกข์นะแต่จริงเราก็ได้ใช้ร่างกายเขาเพ้เกิดประโยชน์เยอะนะในการเดินทางแต่เราก็เห็นว่าที่จริงในร่างกายมันก็มีความทุกข์ของมันเนาะมีโรคภัยไข้ไขเจ็บมีความแก่สุดท้ายก็มีความตายซึ่งก็ไม่สามารถหลีกพ้นได้นะ ร่างกายนี่ก็เปรียบเสมือนกับแบบ เ, เหมือนเครื่องปั้นนะ เ, เครื่องปั้นอะไรท้กอย่างจ ะ, จะเป็นหม้อจะเป็นไหจะเป็นตุ๊กตานะาที่ปั้นมาจากดินนะ เ, เราปั้นมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วสุดท้ายยังไง เ, เครื่องปั้นทุกอย่างนะก็ต้องแตกสลายไปนะโดยธรรมชาตินะจะด้วยอุบัติเหตุก็ดี จะด้วยวันเวลาที่เขาเสื่อมไปก็ดีนะนะมันก็เป็นธรรมชาติร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะมันก็คงอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีนะนก็ต้องแตกไปตามธรรมชาตินะเราก็ให้พิจารณาแบบนี้บ่อยพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของร่างกายนี้เนาะ เราอยู่มาได้สามสิบสี่สิบห้าสิบปีหกสิบปีมันก็ดีละนะแต่จะอยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเนี่ยมันไม่แน่เนาะให้เราพิจารณาแบบนี้บ่อยๆนะเราอยู่มาได้ได้สิบปีก็จริงแต่วันนี้เนะีะจะเป็นอย่างไรเราก็บอกไม่ได้วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราก็บอกไม่ได้ ให้เราพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายเนี่ยเราก็จะได้ใช้วันเวลาที่เหลือเนี่ยให้มีค่าที่สุดเนาะอะไรที่เราคิดว่าชีวิตนี้เราอยากจะทำเนมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเราเองเนี่ยเราก็จะได้ใช้ร่างกายเนี่ยในการทำสิ่งนั้นใช่ไหมเราก็ใช้ร่างกายนีย้ในการทาประโยชน์น แต่เจ้าคนไม่มีสติปัญญาเขาก็จะใช้ร่างกายนี้ทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกิดโทษต่อตัวเองเกิดโทษต่อผู้อื่นแต่เราก็พิจารณาดูในร่างกายนี้ด้วยนะถ้าเรามีสติเราจะเห็นมันบ่อยๆนะเห็นร่างกายเนี้มันมันมีความเสื่อมนมีความเสื่อมอยู่เป็นประจําเลยนะ นะมันเหนื่อยมันร้ามันเมื่อยมันปวดนะมันหิวมันง่วงนะอันนี้คือความทุกข์ของกายนะที่มันก็เป็นสภาวะทุกข์ของมันนะนะทุกข์เพราะร่างกายเนี่ยยังบันบัดยังบัรเทาก็ยังพอหายได้ง่ายๆนะแต่มันมีภาระอีกสี่อย่างนะที่เป็น ที่เป็นนามนามธรรมนะเรียกว่าขันที่เป็นนามมนาะขันเนะี่ยมันเป็นภาระที่หนักกว่านะถ้าเรายัางยึดถือนะอย่างคนติดความสุขความสบายเนะี่ยก็ยากนะที่จะออกมาทุด่ดงออกมาไปเชิญกับความยากลําบากนะแต่ก่อนตอนอยู่กับความสะดวกสบายความพร้อมเนี่ยไม่รู้นะว่าแต่เองติดเนะี่ย ดูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบนะแต่เมื่อเรากล้ามาเผชิญกัความยากลาบากเนะี่ยเราถึงจะดูว่าอะไรที่เราติดนะอ๋อนี่เรียกว่าความติดความสบายเนาะเอบางคนที่บ้านมีความพร้อมไม่ต้องลาบากลำบนอะไรนะมันก็เป็นการยากที่กล้าตัดสินใจมาเผชิญกับความไม่แน่นอนในชีวิตเนาะ อย่างเราทุดดก็ไม่แน่นอนจะมีอาหารกินหรือเปล่าไม่แน่นอนว่าจะพักแบบไหนไม่แน่นอนว่าเสื้อผ้าจะอุ่นพอหรือเปล่าไม่แน่นอนว่าเจ็บไข้ได้ป่วยจะรักษาได้หรือเปล่านี่คือความไม่แน่นอนในชีวิตที่เราเรากล้าออกมาเผชิญนะแต่ก่อนเราคิดว่าเราวางแผนเราจัดการเนี่ยคือ มันเป็นสิ่งที่ทําให้ดับประกัรในชีวิตของเรามั่นคงนะแต่บางทีถ้าพิจารณาดูดีๆนะบางทีมันเป็นการที่เราแบบเพอเซฟนะกลัวแพนะ้หรือว่ากลัวความยากลําบากนะนะถ้าเปรียบเทียบกับพวกนักธุกรกริจก็คล้ายๆแบบพวกไม่กล้าลงทุนนะไม่กล้าลงทุนนะหรือถ้าเป็นนักกีฬา ก, ก็แบบเล่นแบบกลัวแพ้นะ ไม่มุ่งมั่นที่จะเอาชนะถ้าเป็นคนธรรมดาก็เหมือนกันก็คิดว่าก็เอาที่มันแบบไม่เสี่ยงออเอาที่มันปลอดภัยไว้ก่อนแต่บางทีเราก็ต้องกล้าทำอะไรที่มันเรียกว่าออกมาจากกรอบเดิมๆของชีวิตเราเหมือนกันน ะ, ะ, ะความสะดวกสบายของที่บ้าน หรือว่าความพร้อมของที่วัดเนี่ยบางทีมันก็เป็นมันก็เป็นป้อมปราการที่เราอยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นนะแต่พอเราออกมาเดินทางทุ่ดมเนี่ยเออเรากล้าออกมาจากกำแพงที่มันปลอดภัยนะมาอยู่ในโลกที่เราคาดการณ์ไม่ได้เนี่ยนี่คือมันจะทำให้เราเห็นนะว่าอ้อการติดความสุขเนี่ย ความสุขไม่ใช่ว่าต้องติดแบบสมาธิสุขสงบนะเท่านั้นนะที่จริงความสบายที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็เรียกว่าติดสุขแล้วน ะ, น ะ, น ะ, น ะ, นะข้าวของเครื่องใช้ที่ต้องมีพร้อมเนี่ยก็เรียกว่าติดสุขแล้วนะอาหารการกินที่ต้องถูกปากเนี่ยก็เรียกว่าติดสุขแล้วนะแี่ถ้าเราดูดีๆนะติดในความสุขความสะดวกสบายเนี่ย เรากล้าออกมาไปเชิญเนี่ยก็ถือว่าเราได้ทําสิ่งที่ไม่เคยทํามาแล้วนะนี่ติดในความสุขบ้างเนีบางคนก็ติดในความทุกข์ก็มีนะเเราเดินทางออกมาก็ยังแบกความทุกข์เข้ามาในใจของเรามีหรือเปล่านก็ต้องดูนะบางทีเรื่องราวมันผ่านไปหลายสิบปีนหลายวันแล้วนะ มันก็ยังมาบนบียนอยู่ในจิตใจของเราอยู่เนี่ยนะติดเป็นความทุกข์ในใจนะเราแบกมันไว้ไหมนะนะเวทนาเนี่ยแหละนะนะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์นะเราติดมันไหมนะเราแบกมันมาหรือเปล่าบางทีความสุขความทุกข์ที่เป็นเวทนานะบางทีมันหนักกว่าสัมภาระนะ ในกระเป๋าของเราเองนะสัมภาระพอถึงที่พักถึงที่นอนเนี่ยเราก็วางไปก็เบาบาเราเบาหลังนะแต่สุขทุกข์ที่มันอยู่ในใจที่เราติดเนี่ยโอ้บางทีมันหนักนะนอนก็นอนก็ร้น อ, นองไห้นอนก็หวนหานะก็ทุกข์ใจนะก็ต้องดูนะเราเดินมาแล้วบางทีก็จะเห็นนะเห็น ใจเราติดอะไรนะสัญญานะเวทนามันก็เนื่องด้วยสัญญาความจดจำนะติดต่างๆนะที่เป็นอดีตนะ ก, ตก็อาจจะนำไปสู่ความกังวลในอนาคตนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ให้เราดูนะเดินไปก็ให้เห็นนะเห็นความสัญญามันเป็นทุกข์แบบไหน<ช>นะ มันเกิดขึ้นมาแล้วนะมันเป็นความทุกข์ในใจไหอนะหรือมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่ไม่ยึดถือนะสังขารการปรุงแต่งก็ดีหรือวิญญาณการรับรู้สิ่งต่างๆก็ดีเนะี่ยที่จริงมันทํางานด้วยกันนะนะีนะ่นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนะีนะ่ยนะมันเป็นขัน มันเกิดขึ้นมานะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ให้เราเห็นว่าการไปแบกการไปแบกถือพวกนี้มันเป็นของหนักบางทีมันไม่ได้หนักที่ร่างกายนะแต่การหนักที่ใจเนี่ยมันเป็นทุกข์ยิ่งกว่านะมันเป็นภาระที่เราหนักใจนะภาษาไทยเรียกว่าหนักใจนะใจเราหนักใจเราทุกข์ ใจไม่มีความสุขเนะีนี่คือการเดินทางนะก็จะทําให้เราเห็นพวกนี้ด้วยนะนะลองดูดีๆว่าอะไรที่มันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจนะความทุกข์นั้นไม่เป็นความทุกข์เพราะธรรมชาตินะนะเช่นร่างกายมันทุกข์เพราะธรรมชาตินะเดินก็ต้องเหนื่อยนะแบกกระเป๋าก็ต้องหนัก นะถึงเวลาอาหารย่อยหมดก็ต้องหิวนะถึงเวลาค่ำคืนก็ต้องง่วงนอนอันนี้เป็นความทุกข์โดยธรรมชาตินะนะแล้วก็บรรบัดบรรเทาไปตามสภาวะตามเหตุตามปัจจัยที่ทำได้นะแต่ความทุกข์ภายในใจของเราเนี่ยให้เราดูดีๆนะนะมันร้อนนะ่ะมันเหนื่อยนะ่ะกายร้อนกายเหนื่อย ใจเราเป็นผู้แบกนะไปยึดถือมันหรือเปล่าไปยึดความไม่พอใจหรือเปล่าเนี่ยให้เราดูมันนะหรือบางทีเกิดสัญญาจำได้ระลึกอะไรได้บางอย่างเกิดการปรุงแต่งอะไรขึ้นมาสักอย่างเราสลัดมันออกได้ไหมเรามีสติรู้ทันมันไหมหรือว่าเราจมไปกับความคิดจมไปกับ ความจาได้ไหมายรู้ตรงนั้นไปหรือจมกับการที่ผัดตะมันกระทบกันนะเป็นวิญญาณนะให้เรารู้ทันนะให้เรารู้ทันรู้ทันตอนที่มันกระทบนะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าใจนะมันกระทบสิ่งใดละให้เราคอยรู้ทันมันมันจะเป็นการดึงดึงสัญญาเก่า มาปรุงแต่งมาเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาในจิตในใจเนี่ยนะนะถ้าเราไม่เท่าทันนะเราจะกลายเป็นผู้สุขผู้ทุกข์จมไปกับมันเลยนะจมไปกับความคิดจมไปกับความปรุงแต่งนะการมาทดลองจริงๆเนี่ยนะนะไม่ไม่ไม่ใช่เพียงแค่การเรามาเดินทางไกลนะแต่เราจะได้มาขัดเกลวไอ้ที่มันติดค้างในใจของเราเนี่แหละนะให้มันออกไปให้มันนะ ให้กลายเป็นความปล่อยเป็นความวางนะเพราะเราเห็นนะ่ะพาราหาเวมปัญจคันทาเนี่ยขันทั้งห้าเนี่ยมาเป็นของหนักจริงๆริรเราค่อยๆฝึกไปนะอาศัยตัวสติและลึกรู้นะมีสัมปชัญญะรู้ตัวนะดูไปเรื่อยจนกระทั่งมันค่อยๆมีปัญญาเ ห, เห็นเห็นแต่เพียงแค่อาการของรูปอาการของนามนะ ค่อยๆแยกไปเราจะเห็นนะรูปนามนะเป็นแบบไหนต่อไปก็จะจะเข้าใจสิ่งที่ครูบาอาจารย์ต้งบอกมันจะเริ่มแยกธาตุแยกขันนะรูปก็ไปเปลี่ยงแค่ธาตุนะทั้งรูปทั้งนามก็เป็นเพียงแค่ขันนะมัเปลี่ยนเพียงเพียงแค่กองนะขันคือกองกองของรูปกองของเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณนะ มานปีกๆแค่กองนะแต่มันมาประกอบกันคล้ายๆอยู่ในสมมติถ้าเราเป็นแม่ค้า น, ะ, นะที่หน้าร้านของเราปูปูเสือปูอะไรไว้ที่ตมกระ บ, บะนะแล้วก็มีของอยู่ห้าอย่างมากองน ะ, นะขันตัวนี้ก็เหมือนกันน ะ, นะ มันก็เป็นสิ่งแค่มาฟองมาประกอบกันเท่านั้นนะแต่พอเราไม่รู้เท่าทันเราก็ยึดว่าเป็นของเราจริงๆเราก็แบกมันไว้นะถ้าจะเปรียบง่ายๆนะเหมือนพวกแขกขายถั่วนะนะแขกขายถั่วนะ <c oughs> มีมีถั่วอยู่ห้าชนิดนะก็แบกไว้นะบนหัวบนบาทนะเดินไปที่ไหนก็แบกแบกแบกแบกเพื่อไปขายนะ ที่แบกนะั้มันก็หนักหนักหนักน่ะถ้าแขกนะั้นไม่รู้จับวางน่ะถั่วที่ตัวเองถือไปขายกนะ็ <S S จะหนักอยู่ล่ำไปนะนีะ่ตอนนอนก็ยังแบกถั่วอยู่น ะ, นะตอนกินก็ยังแบกถั่วอยู่นะตอนเดินก็ยังแบกถั่วอยู่นะ่ะมันก็หนักอยู่เรื่อยไปนเราเองก็ต้อง ดูดีๆนะว่าเราแบกอะไรไว้เรายึดอะไรไว้นะในกายในใจนี้นะมันเป็นภาระมันเป็นของหนักนะนี่จุดหมายของการเดินทุต้งจริงๆนะมันทําให้เราเห็นตรงนี้นแหละบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ค้างคาใจอยู่เนิ่นนานหรือบางอย่างมันเป็นสิ่งที่อยู่ในสภาวะปกติมันไม่ค่อยเกิดขึ้นมาให้เราเห็นนะการเดินทุตรงเจะทําให้เราได้เห็นนะได้เห็นสิ่ ง, งต่างๆที่ อ๋ออารมณ์แบบนี้มันก็มีเนาะนะแต่ก่อนมันไม่เคยเกิดขึ้นดมแต่ก่อนมันเห็นไม่ชัดนะพอมันเหนื่อยมากๆเนี่ยบางทีอารมณ์หงุดหงิดนะมันเกิดขึ้นมาบางคนแบบดูใจเย็นๆดูสบายๆนะพอมันเหนื่อยขึ้นมาก็หงุดหงิดขึ้นมาก็ได้นะนะบางทีเราก็ไม่คิดว่าเราเป็นคน อยากอะไรมากไม่ค่อยคิดเป็นคนโลภอะไรนะนะแต่บางทีเราก็ไม่เห็นนะบางทีความอยากนะ่ะเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยมันก็เกิดขึ้นมาละตอนหิวมากมากเนี่ยโอ้ได้อาหารน้อยน้อยเนี่ยก็รู้สึกว่าเออรู้สึกว่ากลัวละจะไม่พอกินหรือเปล่าอะไรเนงะี้ยดีความอยากเห็นเพื่อนตักอาหารไปก่อนเราโอ้ยรู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธเขาอะไรเนงะี้ยก็มีนะ นะความโกรธก็ดีความอยากก็ดีหรือความหลงนะที่มันละเอียดขึ้นมาก็ดีเนะี่ยบางอย่างมันก็จะเห็นนะเห็นความกลัวเห็นะความเหงาเห็นะความคิดอะไรอวร์อะไรต่างๆขึ้นมาเนะี่ยมันจะเกิดขึ้นมานะในขณะที่โุดงเ น, ะนี่ยบางทีพอเรามาทำสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำนะ อยู่ในสภาวะที่เราคาดการไม่ได้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะทาให้เราได้เห็นสภาวะพวกเนี้ยมันมันเป็นตะกอนที่มันอยู่ในใจมาเนิ่นนานนะมันก็ผุดขึ้นมาให้เราได้เห็นอันนี้คือจุดมุ่งหมายของการทุดตรงจริงๆน ะ, นะไม่ใช่เดินเอาระยะทางหรือไม่ใช่เดินชมบรรยากาศสองข้างทางแต่จริง การทุกขตรงจริงๆคือการเดินเพื่อหเห็นสภาวะในใจของเราเองนะแล้วก็ค่อยๆนะปล่อยวางสิ่งที่มันยึดมั่นถือมั่นนะสิ่งที่เรายึดถือเราแบกไว้ให้เป็นความทุกข์ในใจนะ่แหละเราเดินเพื่อปล่อยวางตรงนี้นะนะเพื่อให้เห็นเห็นแล้วเกิดความรู้ทัน เมื่อรู้ทันแล้วมันจะปล่อยไปของมันเองนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้ถ้าเราตั้งใจขัดเกา่าทุดดงจริงๆนะเราก็มีข้อวัดข้อปฏิบัติที่ทาร่วมกันเอาไว้ถือเนาะเอาไว้ถือเพื่อจะได้เราให้เราเห็นแต่แต่และคนขนาดที่อะไรเกิดขึ้นมาก็พยายามดูตัวเองเป็นหลักหนะ่อยเนาะพยายามดู เดินดูกายเดินดูใจไปเรื่อยนะจะพักก็ดีก็ดูกายดูใจเราไปเรื่อยนะเพราะการปฏิบัติธรรมจริงๆนะมันก็ไม่เหมือนกันเดินทุดงนะเราอย่างเดินกลางวันตอนเย็นก็ยังได้พักแต่การภาวนาจริงตั้งแต่ตื่นจนดับนั่นแหละคือการที่เราจะต้องดูกายดูใจของเราบ่อยๆ อ, อยู่เสมอนะแล้วก็ฝากพวกเราไว้ให้พยายาม ฝึกฝนตนเองนะก็เป็นโอกาสพิเศษนะที่เ ร, เราได้มาทำแบบนี้นะก็ขอให้ทำให้มันเต็มที่นะ s <S แต่ก็อย่าไปคาดหวังผลว่ามันจะได้อะไรนะเราก็เพียงแค่พอใจในการทำนะพอใจในการศึกษาพอใจในการเรียนรู้นะมันจะได้อะไรอย่าไปคาดหวังนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นนะก็ดูไปเรื่อยนะศึกษาไปเรื่อยนะ เหมือนเราเดินนะเราก็เดินไปเรื่อยจะไปคาดว่าจะต้องถึงที่นั่นที่นี่เมื่อไรตอนไหนอะไร น, นะ <16 7. S 1> ก็ไปเรื่อยของมันแ <16 8. S 1> ปากๆไ้ค่ะ